เป็นอะนนี้ของเรเจริญในธรรมในที่ธรรม ท, ทุกคนนะคำวันเจก็กเราก็ฟังทางนะเมันพูนะ่นากประจังทุ่มก็พาพวกเราสวดมหาสติประธานที่จริงมันก็ยาวกว่านี้อีกหลายเท่านะอันนี้เป็น เป็นบทจะย่อะนะความกำแพร์นะในที่จริงมันมีมหาติปฐา น, นมัมีสี่สี่ฐานนะตายานุปัตนานเขาคือฐานกายเวทนานปัตนาปติปฐานฐานเวทนาจิตอยากปาาัตนาฐานจิตธรรมานุปัตนาคือฐานธรรมเรียกว่ามี มีสี่มีสี่สาขาก็ได้นะถ้าเราเรียนถ้าเราเรียนแบบวิชานะก็แยกเป็นสี่สี่ส า, าขาก็ที่จริงก็คือว่าเรียกที่ว่าในร่างกายของเราบางทีก็แยกได้หลายรูปแบบนะบางทีเราก็เรียกว่ามีกายจะมีใจบางทีเราก็เรียกแยกเป็นขันห้าแล้วก็ว่ามี มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะอันนี้แยกสางขัรห้าแต่นี้ผมพระพุทธเจาท่านแยกนะในส่วนของสติประฐานก็แยกในส่วนมีนักกายนะมีเวทนามีจิตแล้วก็มีธรรมนะมันแยกได้หลายอย่างนะมันก็ได้มีอะไรฟูทั้งหมดผิดทั้งหมด ที่นีิก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละแค่เพียงแต่ ว, ว่าก็เรียกต่างกันนะเหมือนเรามีชื่อเล่นมีชื่อจริงมอีอะไรหลายอย่างนะมันก็เป็นสมมติที่ที่เราแยกเหมือนเรานี่ยก็มีหน้าที่หลายอย่างเราก็เป็นทั้งลูกก็ถูกนะเพราะเราก็องมีพ่อมีแม่บางคนก็มีมีลูกนะเราก็เป็นพ่อเราก็เป็นแม่บางคนก็เป็นครูบางคนก็เป็น พระรานการบางคนก็เป็นพระเป็นแม่ชีเป็นพนักงานบริษัทหรือบางคนก็ไม่ได้ทํางานอันนี้ก็หน้าที่นะพอเราไปเที่ยวที่อื่นในชะ่ไหมเราก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวพอเราไปต่างประเทศแล้วก็กลายเป็นคนเป็นชาวต่างประเทศนะพอเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็เราเป็นคนไทยเป็นเจ้อของประเทศคือสมมุตินะมันก็ เอาไปตามสมุดทางโลกนะมันก็ปุ่กับโลกอนะ่แต่ทนี้เขาย้อนกลับมาเรื่องสติปัฏฐานนะพะพุทธเจ้าท่านแยกเป็นสี่สี่ฐานนะไม่แต่เรื่องกายนะก็ยังแยกเป็นหกหมวดนะดูลมหายใจนะดูวิทยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนดูวิทยาบทย่อยนะมีความรู้สึกตัวนะแล้วก็อีกสามหมวดไป แยกเพื่ออะไรที่จริงแยกไปตามเจนิสัสของแตจารท่านอาจารย์ท่านสอนธรรมะนะสี่สิบห้าปีรวมๆประมาณแปดหมื่นสี่พันเื่มที่จริงก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าในกตัมีโดกก็มีบางเรื่องก็เป็นเป็นอะไรเป็นคำซสอนๆของของภาษาบงบ้างแต่ก็รวมมาว่าเนี่ยมัน แต่หมื่สี่พันเรื่องทีผู้จัดท่านสอนสี่ห้าปีนะที่ทํามาสอนเยอะขนาด น, นั้นก็เพราะคนวิจารณแตกต่างกันหรือบางทีท่านก็สอนที่บ า, บางหมวดท่านก็สอนเทวดาสอนพมก็มีมนะมีหลายส่วนที่ท่านแสดงนะแต่ที่จริงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าจะวาดในย่อท่านก็สอนพี่แกสอเรื่อยังสอนเรื่องทุกและ ว, ว่าสอนเรื่องความดับทุกว่าทั้งหมดละนักท่านสอนแค่สอเรื่องท่านให้เราศึกษาเรื่องทุกแล้วก็เรื่องวิธีการในการดับทุกทุกเกิดขึ้นที่ไหนดับทุกที่ไหนเนี่ย เรามาศึกษาดูนะอ่าคนส่วนใหญ่หรือคนที่ไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมหรือเขาไม่ได้ไต่ตรองตัวเองดีๆนะแต่ก็จะคิดว่าทุกเพราะว่าอากาศรา้อนทุกเพราะว่าอ่าคนมาด่าเราทุกเพราะว่าคนมาโกงเราทุกเพราะว่าเขาปลับรถไม่ดีมาบาดหน้าต้นของเรานะบางที ทุกเราก็จะโยนให้คปนอื่นบางคนก็โยนในเรื่องกรรม เ, เรื่องเวรเรื่องกรรมนะไปโยนเรื่องนะฟ้าดินเทวาดาอะไรก็ไม่รู้นะคนที่ไปคิดเช่นนั้นสอบางทีบางคนนักสอก็คิดว่าเป็นเพราะเทพเจ้าเทวาดาพระเจ้านะไม่กันแกล้งเรา เราก็เลยต้องขอร้องขอพรบ่อยให้เขาจะแก้เราเลยนะมาช่วยให้เราได้รับแตบสิ่งดีๆสิแต่พระเจ้าท่านสอนกับไปอีกอย่างท่านให้เรากลับมาเห็นว่าทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำทุกข์เพราะว่าเราเราวางใจ้วยผิดส่วนหนึ่งนะวางใจ้วยผิดอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทุกข์เพราะว่า มันเป็นสิ่งคู่โรคอยู่แล้วแก้ไขไม่ได้มันมีสองส่วนนะทุกส่วนหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่มันต้องมีอยู่แล้วนะทุกส่วนนี้คืออะไรก็คือร่างกายร่างกายเป็นทุกนะร่างกายเราก็ไม่ต่างจากอาคานแังนี้นะอีร้อยปีสถาบัานจะเป็นแบบไหนกนรู้นะไม่ต่างจากต้นไม้นะ บางต้นก็อายุยืนบางต้นก็อายุสั้นแต่ทุกต้นก็ล้วนต้องแก่แล้วก็ตายนะร่านตายของคนเราก็เหมือนกันบางคนอายุยืนบางคนอายุปานกลางบางคนอายุสั้นแต่ก็คือว่าก็ต้องแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันต้องหิวต้องปวดต้องเมื่อยนะแล้วก็ต้องแตกตัดไปในที่สุด ทุกทางด้านร่างกายเนะี่ยเราก็เรียนรู้เพื่อบรรเทานะการปฏิบัติทำการทําบุญไม่ใช่ว่าทำเพื่อให้เราไม่ทุกเพื่อให้เราไม่เป็นโลคเพื่อให้เราไม่แก่เพื่อให้เราไม่ตายไม่ใช่นะอืมอันนี้คือเราให้เห็นความทุกข์ก็คือว่า มันไม่มีสกขชิงแท้นั่นแหละที่จริงนะปอดก็คือมันไม่มีสุขที่ที่ถาบอลไม่มีความสบายที่ถาบอลอย่างร่างกายนี่แหละนะเดา ว, ว่าท่านั่งตัวนี้นั่งเดียลวนะนั่งตักครึ่งชั่วโมงมันก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มไม่ค่อยสบายนะ่ะอแล้วก็คิดว่าถ้าเราเปลี่ยนอีกท่านนึงนั่งก็ขี้อาจจะสบายหลังกว่า ไปนั่งเก้าอี้สักชั่วโมงหนึ่งก็เริ่ ม, ก, มก็เริ่มไม่สบายแล้วแต่ว่าเราไปเดินสักหน่ยยืดเส้นยืดสายดีกว่าเดินสักชั่วโมงหนึ่งก็เริ่มเมื่อยขาแล้ว<อ>แต่ว่าเราไปนอนด<อ>ีกว่าปัณณ์นี้เมื่ทั้งวันนะเนื่ยอยทั้งวันไปนอนดีกว่านอ น, นแรกๆก็สบายนะแต่ถ้านอนเตะตื่นใส่สายเนี่ยก็เริ่มไม่สบายแล้วจริงถ้าใครนอน น, นานๆนะ การเนี้อก็อ่อนแรงนะอร่างกายรวมๆก็เพรียคือร่างกายมันตึงทุกเพราะว่ามันไม่มีความสบายที่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือทุกก็คือแปลว่าคนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ที่มีใครคนได้นะนอนไม่ให้กระดุกกระดินะ่เนี่ยคนไม่ได้นั่งไม่กระดุกกระดิ่ก็ไม่ได้ยืนเดินก็เหมือนกัน มันไม่สามารถอยู่เนียสภาวะเดิมได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราเรียกวัตถุนะแต่ถ้าพูดแบบจากอย่างที่คนมองก็คือเราเต็นโลกเราแก่มากๆเราตายอันนี้เราถึงเรียกวัตทุกตอนนี้เรายังแข็งแรงตอนนี้เรายังไม่หม อ, อตรวจโลกไม่เจอตอนนี้เรายังไม่รู้สึกว่าเราแก่ ตอนนี้ยังรู้สึกว่าใกาล้จะตายเราก็เลยเรียกว่าเราสบายดีภาษาโลกก็เรียกว่าสบายดีภาษาธรรมจริงๆก็คือมันยังฟุกไม่มากแต่ไม่ใช่มีฟุนะ๊กใช่ไหมเราก็ยังปวดเมืเ่อยเราก็ยังหิวเราก็ยังต้องพักผ่อนอันนี้คือพรอ่างกายมันเป็นฟุกทุกคนก็เป็นแบบนี้นะเ อ, อเราหนีไม่พ้นอันนั้นที่จริงพอเราหนีไม่พ้น เราก็เพียงแค่บันเขาเขาเราก็แค่ยอมรับเขาเราดูแลร่างกายให้แข็งแรงให้ทำกิจวัตรต่างๆได้มันก็มีเราทำเพื่ออะไรนะเดี๋ยวก็ต้องถามตัวเองใสยคนใส่ใจในกินอาหารสุขภาพใส่ใจในาการออกกาลังกาย ใส่ใจในการดูแลกายอย่างดีแต่เมื่อใส่ใจในการรักษากายแล้วเราลองถามตัวเองว่าถ้าเราจะเอากายนี้ไปทำอะไรมาคนใส่ใจร่างกายเพื่ออยากจะอยากจะได้ไปเที่ยวรอบโลก <c oughs> จะได้มีแรงกินขึ้นภูเขาที่สูงๆจะได้ไปเที่ยวที่สุดสวย <c oughs> จะได้มีเวลาได้กินนานๆ <c oughs> จะได้มีเวลาอยู่กับโรคนี้นานๆแต่ถามว่ามันเกิดประโยชน์อะไรบ้างเราด้านกายของเราที่แข็งแรงนะไปทำอะไรที่ที่คนที่แข็งแรงทำได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาแช้ที่ริตเหมือนเดิมนะ่ะแต่มายังพิจารณาดูนะบางที หลายคนนะั่ก็เอาร่างการที่แข็งแรงก็ไปแข่งกีฬากันบางคนก็เอาร่างกาเที่็งแงไปเที่ยวโดยเรีนรอบโรกกันอ่า ม, มันก็เกิดประโยชน์อยู่บ้างนะชนะก็มีความสุขคนเชียร์ก็มีความสุขที่ชนะแต่บางทีเราก็คิดถึงการแข่งขันมากมา ก, มาก น, นะบาดทีก็ทุกแพ้ก็เสียใจสูงโกงก็บนไม่เริกเนี <c> ่ย <oughs> นี่คือแต่ลองคิดดูบางคนร่างกายไม่แข็งแรงะแต่เขาก็เอาร่างกายที่ไม่แข็งแรงไปทำประโยชน์อย่างเครอ่านมีคนจีนคนมงตาบอดคนหนึ่งคนหนึ่งขาไม่ดีนะเขาก็อยู่หมุ่บ้านด้วยกันนะก่อนเดินไป ออกไปจากหมู่บ้านทุกๆเช้านะไปห า, มาเมล็ดพันธุ์มะพราวไปหาปลูกต้นไม้ทุกๆเช้าคือคนหนึ่งเป็นคนขาไม่ดีก็เป็นตาแทนคนนึงขาไม่ดีนะคนหนึงขาไม่ดีก็เป็นตาคนนึงตาไม่ดีก็เป็นกำลังนะในการตัดในการปลูกอะไรต่างๆก็น่ารักดีนะ ร่างกายเขาไม่ไม่แข็งแรงไม่สมประกอบนะแต่เขาเขามาประกอบกันแล้วทําสิ่งที่ดีนะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะอันนี้ก็ประโยชน์ทางทางโลกนะก็เป็นการช่วยสังคมช่วยช่วยโลกวยการปลูกต้นไม้นะก็ทําได้หลายรูปแบบแต่ก็มีอีกหลายคนนะบางคนที่แข็งแรงดี บางคนที่ไม่แข็งแรงจริงก็ดีเขาก็คิดประโยชน์อีกอีกด้านหนึ่งนะก็คือประโยชน์ว่าเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วนะอะไรที่เราควรจะศึกษาอะไรที่เราจะให้เป็นที่ขึ้นที่แท้จริงในชีวิตบางคนก็ใช้สวนหนบชีวิตอะไรก็มีหมดแล้วนะเงินก็พอมี งานก็พอมีครอบครัวก็พอมีการยอมรับนักถือก็พอมีแต่มีเท่าไหร่ก็ไม่ถึจะสุดเที่ยงแท้แน่นอนได้ของใหม่ก็ดีใจสุขใจชั่วขณะแล้วก็เฉยนะนะแล้วก็ต้องเจอความทุกข์บนบนทันทันเหมือนต้องสุดสุดก็พิจารณาดูว่าอะไรคือความสุขที่ ที่เพียงแท้แน่นอนของชีวิตไหยคนก็เลยมาเริ่มว่าเรามีเรามีสิ่งภายนอกมันต้องได้มีความสุขที่แท้จริงลองมาหาความสุขที่แท้จริงไปในใจด้วยการปฏิบัติธรรมดูมั้งเนี้ยก็ไม่ได้ว่าไม่ทำงานนะเขาทำงานไปด้วยแต่ก็ ปฏิบัติธรรมด้วยอ่าฮะปฏิบัติธรรมเขาก็จะเจ้าเลยสอนนะให้เราพิจารณาดูแเราก็เลยเอาร่างกายเนี่ยแหละมาปฏิบัติธรรมอ่าร่างกายเนยนะอ่ามันเป็นอุปกรณ์เพื่อเพื่อให้เราเข้าใจธรรมะอืาอย่างมีมีคนพิการคนหนึ่งนะฮะ หลายคนก็รู้จักชื่ออาจารย์บางคนของลุงนุ่มแต่ก่อนก็คิดว่าเราเป็นคนพิการคงปฏิบัติทำไม่ได้หรอกอก็คิดอยู่เนะนอนคิดอ่านตื่นธรรมะก็รู้สึกดีนะที่ได้อ่านตื่นธรรมะแต่ก็เหมือนคิดว่าเออพระพุทธ้าก็ว่าวิธีตุปากันก็ว่า ว, วิธีแต่เราคงทําไม่ได้หรอก <c oughs> นี่คนพิการว่านะ บาคนไม่พิการนะแต่คนคิดเราคงไม่มีบุญ ม, มีวาฒนาเรา <c oughs> ปฏิบัติธรรมในเรื่องของพระในเรื่องของคนเดียววะ <c oughs> ย่างนนคนที่พิว่าใจคนทําไม่ได้หรอกเราเป็นคนพิการนะแต่มีวันหนึ่งก็มีญาติธรรมแนะนําให้ลองเขียนจดหมายต่หาหลวงพ่ อ, อคนเขียนดูซนะิไปขอคำแนะนําธรรมะกับท่านดูซิ อา จ, จารย์ก็เกียนจดหมายไปวก็ถานหลวงพ่อว่าผมเป็นคนพิการอ่าอยากจะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้หรืาาอเปล่าอแต่จจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อกังกีดก็ตอบว่าอืมเป็นคนพิการก็ปฏิบัติธรรมได้นะหลวงพ่อถ้ายังหายใจอยู่ปฏิบัติธรรมได้ <c oughs> ก็ความหมายตังทียังไม่ตายน่แหละนะ ถ้ายังหายได้ยุดลมปฏิบัติทำได้นะถ้าจะรู้ลงไหาได้เข้าลงไหายใจออกก็ได้นะให้รู้นะหรือถ้ายังพอคิดมือได้นะก็พลิดมืออนะ่าคล้อมือให้รู้สึกนะแต่หลวงพ่อก็จะยังว่าให้รู้นะไม่ใช่ให้อยู่อ่านะให้รู้สึกนะอันนี้ยหละเอาร่างกายที่ปฏิการ ม า, าสรงสติมาสร้างสติสร้างกายเราเนี่ยยิง่งไม่มีการเนียิ่งดีเลยนะยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถสร้างสติได้เ่าสร้างสติแบบไหนอย่างหมวดที่ว่ากายานุปัสนานติปทานเราใส่กายสร้างส ต, ติสร้างแบบไหนกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจรับรู้ นะกายเคลื่อนใจรู้นะกายหยุดใจก็รู้มันมีสองส่วนเนาะกายกายมันทำอะไรก็แล้วแต่ใจก็คอยรับรู้นะกายเป็นสิ่งที่เคลื่อนเป็นสิ่งที่ทำจิตเป็นสิ่งที่รู้มนะีสองส่วนนะเนะี่ยกายสติปัฏฐานเป็นยังี้นะอืมคือมีสิ่งหนึ่งที่ ที่กระทันอีกทีที่ทรู้กายเดินก็รู้ว่ากายเดินกายยืนก็รู้ว่ากายยืนกายนั่งก็รู้ว่ากายนั่งกายนอนก็รู้ว่ากายนอนแต่บางทีบางคก็แปลว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนะแต่ถ้าอแต่ถ้าจะแปลให้ตรงกับธรรมะอีกงๆนะแต่เขาบอกว่า กายเดินกายมยืนกายมานั่งใครมานอนมันไม่ใช่เรานะแต่แปลแต่ตรงๆก็แปลว่าเรานะแต่จริงถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นมันเป็นกายที่ยืนเดินนั่งนอนกายที่พููเหยียดเคลื่อนไหวภาษาพัดเรียกว่ารูปนะพราะดีพอ เ, เรียกว่ากายก็จะติดตอนเรีนเรา ไ, ได้ชคดนะแต่เรียกว่ารูปเนะี่ยทุกอย่างที่เป็นวัตถุเรียกว่ารูปทั้งนั้นะ อเห็นเป็นรูปอเห็นเป็นรูปเป็นรูปที่เขาทำ เ, เราก็สติดูอย่างนะั้นน่ะเรียกว่า อ, อาศัยการเคลื่อนไหวอาศัยการกระทําให้สติมันเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นก็คือว่าให้สติรู้รู้ลงไปที่การกระทํำ น, นั้นๆถ้าคนที่ปฏิบัติทํามใหม่ๆก็ อ, อาศัยว่า ให้ตั้งใจรู้เพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจอ่ะมันจะมีสิ่งที่เป็นความเคยชที่เราทำจะเป็นตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เด็กจะถึงตอนเนี้ยนะคือมีความหลงคำว่าหลงเนี่ยหลงก็คือว่าไม่รู้ตัวนะตรงข้ามกันหลงเช่นใจเกิดตายนั่งอยู่ตรงเนี้ย แต่ใจเราไม่อยู่ด้วยใจเราไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตใจเราไปคิดถึงเรื่องที่จะทําในอนาคตหรือว่าตายเรง น, นี้เสร็จใจเรากลับไปที่บ้านกลับไปที่ทํางานกะับไปหาคนอื่นนะไม่เสร็จที่จริงนะใจมหาตจะมาเองนั่งอยู่ในห้องเด็กกันนี่นก็ไม่ใช่ใจก็ต้องอยู่กับเนื้อกับตัวใจก็รู้กายว่ากําลังทําอะไรอยู่ อันนี้คือเรียกว่ากายอยู่ไหนใจอยู่นั่นแต่ให้เป็นความรู้สึกตัวแบบรู้แบบรวมๆประตารนั้ปฏิบัติมจะเรียกว่าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่เปการรู้จ้องที่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่เปเพ่งที่มือที่เท้าที่ลมที่ท้องถ้าไปรู้แบบนั้นมันมันจะ มันจะไปรู้แบบสมาถะรู้แบบกำหนดนะแต่จริงพระเจ้าสอนให้เรารู้กายนะรู้กายทั้งกายนะแต่บางทีมันก็เด่นนะเด่นที่บางส่วนก็ก็กอาจจะชัดที่ตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่เปจ้องที่ส่วนในส่วนหนึนะ่งอันนี้คือรู้กายภาใาอะไรก็ได้นะที่จริงการเคลื่อนไหวคือาการปุกปลุกให้เรารู้ตัวนะนะตรงนะ ทุกขาตัวเองก็เพื่อให้รู้ตัวนะไม่ใช่ทุเรื่อนนะทุบเพื่อให้ใจดูนั่นแหละมีการตัดปันี่คือการสร้างสติอยู่รนี้สร้างสติองนี้านนหายใจเข้าไม่เคยรู้เลยว่าเราหายใจเข้าถ้าไม่ตั้งใจกลับมารู้ใช่ไหมอืมหายใจออกก็ไม่รู้นักถ้าไม่ตั้งใจกลับมารูที่จริงกายมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาอ่า แต่เพียงแต่ว่าใจไม่ได้อยู่กับกายมันก็เลยมีรู้ตัวทําทอย่างไรที่ใจกับมันอยู่กับกายมันก็เกิดของรู้สึกตัวแค่นั้นแ่ะแต่มันก็ไม่ไรู้ตลอดเวลาบางทีใจก็แว้กก็ไม่ต้อง้ามเพียงแค่เรียกว่าเรียกเขากลับมาเรียกกลับมาแบบไหนก็คือว่าเออเนี่ยกววยลับมาละหลงไปแล้วนะแต่กลับมาแล้วนะ เดินไปมัสโกนี้คิดอะไรก็ไม่รู้พอพอกระทบปุ๊บหันรู้ตัวละนั่นคือไม่ใช่ว่าเราห้ามไม่ให้มันคิดแต่พอเรารู้ตัวว่าเราเกิดไปคิดพอรู้ตัวใจเราออกไปจากร่างกายไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็ที่จริงแค่รู้เฉยๆนั่นมันก็จะมันก็จะหยุดมันก็จะไม่ไปต่อแต่พอไม่ไปต่อ ถ้ามันไม่เกิดอะไรเก่นที่จิดหนะักมันก็จะกลับมาที่ใเนี่นแหละกลับมารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่นี่คือเราสร้างการเคลื่อนไหวตั้งกรรมาฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดสติอให้เกิดสติในการรู้ตัวรู้ตัวเพื่ออะไรรู้ตัวก็เพื่อไม่หลงนั่นแหละนะเอานิ่ง่ายเหมือนหน้ามือกํบบาลังมือนะมันมีแค่นะั้น มีแค่หน้า ม, มือกับดังมือมือเราไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะถ้าไม่รู้ก็หลงถ้าไม่หลงก็รู้ก็ถือว่าจิตเนี่ยหละถ้ามันไม่อยู่กับร่างกายมันก็ไปอยู่ข้างนอกไปไหลไปที่อื่นวันวันหนึ่งมันไหลไปเยอะมากนะอย่างนักวิทยาศาสตร์เขาเขาวิจัยนะสังเกตเดูอาจจะเขาคงจัดจิตไม่ได้โดยตรงหรอกคงจับที่การทํางานของสมอง เวลาคนคิดก็อาจจะสมองอาจจะมีอการทำงานที่ให้เขารู้สึกได้มันเปลี่ยนแปลงไปนะเขาก็จับว่าคนคนหนึ่งอะ่ะโดยเฉลี่ยประมาณก็คิดถึงประมาณห้าหมื่นครั้งต่อวันค่า <c oughs> ้าหมื่นครั้งก็แทบว่าแทบเด็ดทุกวินานะนทีนะในยอ่สิบสี่ชั่วโมงเนะี่ยแทบเด็ดทุกวินาทีเลยนะคิดคนคิดครั้งหนึ่ง คั้นึงไม่ได้อาจจะให้เรื่องหนึ่งนะบางทีเรื่องหนึงอาจจะคิดไหลไหลหลายรอบก็ได้แต่ที่จริงในกระบวนการคิดหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะหลายครั้งก็ได้เช่นเช่นเราตอนได้ยินเสียงตุ๊บอาจจะเสียงอยู่ต้งนอกนะได้ยินเสียงแล้ว คิดถึงรถขายแยบครืองม <c oughs> ีห่ออะไรจะไม่รู้นะเราก็คิดพวกจะยินเสียงว่าปัญญาเก่ามีคิดว่ารถแยบเครื่องมาแล้วเนี่ยเกิดร้อนๆนอะเกิด ค, ความอยากจะกินมันอยู่ที่ไหนใจเราต้องไคิดไปมองหาเป็นคิดหาแล้วก็อาจจะปุงต่อว่าจะไปกินดีหรือกินดีตอนนี้เราปฏิบัติท <c> ำ <oughs> ก็ต่องใจนะสมมตินะหรือพอไปแล้วนะเกิดกระบวนการคิดพอไปเห็น ไทยตะกีนก็มีเจ้ามาหลายรสเนาะเป็สิบสิบรถจิตก็เริ่มรดดูแลลรส้มเที่ยวดีรสช็อคโกแกลตก็หอมดีอร่อยดีรสวันทีราก็กลางๆดีมันก็จะดูแลแม็กนั่งก็หวานเกินไปจิตนันก็เกิดนะเกิดปัญญาคุดมาทีละขณะทีละขณะนะในกระบวนการที่เริ่มจากหนึ่งขณะนั่นนะ แต่มันต่อกันต่อกันต่อก <ao S 1> ันไปเรื่อยแต่บางทีนะบางคนก็ไม่รู้ตัวเลยนะพ่อยให้มันคิดแล้วก็พาเราททำกระทั่งกินไอ้ตะทีมแล้วก็คึงมาไรหรื้ไงเฮ้ยเราลงไปซื้อมาตอนไหนเนี่ยใช่ไหมเหมือนเคยไหมบางทีพอเราไปที่ห้างจะยินปุ๊บพตกะนำซัมเมอร์เซลล์เนี่ย มันก็ไปเลยในหาแล้วตรงที่รถจะนําไปเลือกซื้ออะไรก็ไม่รู้นะมาจ่ายตามที่ต่อแล้วพอกลับมาที่รเคยรูย้ตัวไอ้เราเรามาห้างเราว่าจะไปซื้ออะไรนะเนีไงแต่ว่าจะมา<น>มมซื้อซื้อตบข้าวนี่ไงเหรอทำไมไปซื้อเสื้อผ้าก่อนกับข้าวต้องไม่ได้กนะ็อาจจะเพิ่งไปรู้ตัวตรงนู่นอันนี้คือกระบวนการที่มันหดนนะ่งนักมัน มันมาต่อเนื่องสือเสือเสือเสืจนทั้งจะพูดแบบไม่ไอะไรแบบตรงๆนะถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมนะทะีนี้เขาแทบจะหลงทั้งวันหลงทั้งวันหลงทั้งคนงืนคือเขาไม่มีสติรู้ตัวเองเลยนะอันนี้ไม่ใช่สติกับ โ, ลโละรคๆ่ะสติแบบโรคๆหลายคนก็มีอนะแต่ความาสติปัฏฐานสุตัน เห็นเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งใจทิตสติป็นพูดเห็นเป็นส่วนหนึ่งเห็นจิตใจที่เขาแสดงเป็นความรู้สึกเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความเฉยอันนี้เรียกว่าเวทนาหรือปัจจนานะหรือเห็นจิตจิตตอนนี้ปกติมีจิตที่มสติเห็นว่าตอนนี้จิตปกติ นนจิจตต อ, น น, น, อนนี้เกิดออกความไม่พอใจเห็นว่าจิตมีความไม่พอใจมีสติเป็นผู้เห็นความไม่พอใจจิตตอนนี้เกิดความอยากกินไอศครีมเห็นว่าจิตมันเกิดความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่เห็นจิตมันไม่อยากจิตมันไม่พอใจเห็นว่าจิตมันไม่พอใจอ อันนี้คือเรียกว่าเห็นจิตตามุปัสนาหลายๆอย่างนะแล้วแต่แล้วแต่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเรียกางแต่จิมันเปลี่ยนอาการจะเห็นธรรมาลงธรรมนาลงนี่ก็ยิ่งเยอะมากเห็นกระบวนการเมื่อกี้มันเฉยๆทำไมเกิดความง่วงซึ้งขึ้นในจิตในจิตมันรู้สึกมันมองๆมันขุ้นคุนค้ ถึงจิตก็เห็นจิตมันสว่างมันเบานะเนี่ยบางทีก็เห็นว่าจิตมันหนักหนักนะคือโบนทานพวกนี้แต่บางทีเราก็ไม่อยากแบบเรียกให้เราเข้าใจบางทีมันมันตึงนเพราะความม่วงมันฟูก็ราะความปิดีก็พราะความซึมมันแฝดมันหนักมันทุกข์เพราะนเศร้าก็ราะความทุกข์ใจ นี่คือเหตุปกระวนการท า, ทามาลงที่มันเกิดขึ้นจากความปกติเนี่ยแหละปกติก็ไม่ปกติอันนี้คือมันแสดงทั้งวันนี่คือไหนนะกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเนะี่ยมันมีตลอดเวลานะแต่เพียงแต่ ว, ว่าเราจะถนัดดูอะไรเนะี่ยเป็นเบืเ้องต้นนะ กรรมฐานก็คือว่าให้เอาตัวเอาอะไรคล้ายให้มีงานหลักตัวอย่างหนึง่งงานหลักถ้ามันไม่มีอะไรเด่นเราก็รู้งานหลักของเราเนี่แหละนะรูะ้ถ้าตายแล้วก็เทียนเขาจะเน้นเช่นให้รู้กายเคลื่อนไหวเป็นตัวหลักแต่มันไม่ใช่รู้อย่างเดียวตลอดนะเกิดความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความสุข เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าใจไม่พอใจเกิดความสงสัยเกิดขึ้นก็รู้ว่าใจมันสงสัยมันก็จะเห็นแล้วน ะ, ะการเวทนาจิตทำสแสดงเปลี่ยนไปเรื่ยอยเปลี่ยนไเรื่ยอยแต่ก็คำว่า ร, ร, รู้สึกตัวคำว่ารร ม, มีจิตนะคือสร้างสภาวะการเป็นผู้ดูผู้ดูไม่ใช่ผู้เป็นผู้เห็นเห็นมัน แสดงแต่ก็ทำยังไงตจะสร้างความรู้สึกตัวที่ได้เนี่ยเป็นเรื่องต้นเลยนะแต่ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ให้มันตื่นความรู้สึกตัวรู้สึกว่าตายกาลังทำอะไรรู้สึกว่าใจกาลังรู้สึกอย่างไรอันนี้คือเป็นการรู้สึกตัวที่ปัจจุบันที่ขณะนี้นะฮะไม่ใช่ไปย้อนคิดว่าเมื่อกี้คิดอะไรเมื่อกี้ กินข้าวกลางวันอะไรน่ะไม่ใช่รู้สึกตัวคือรู้ตอนนี้เลยแต่ตอนนี้รู้สึกไหมกำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมกำลังเคลื่อนไหวนะรู้สึกไหมว่ามัากาลังหายใจรู้สึกไหมอืมนะคือบาก็นสงสัยรู้สึกหรือเปล่ารู้สึกไหมว่ากาลังสงสัย หรือหรอกะเป๋านอ้อเ น, น่ยอันนี้คือรู้อะไรไม่สําคัญนะคืออะไรอะไรนะที่ว่าที่ยกตัวอย่างนะไม่สําคัญรู้อะไรก็ได้แต่ขอกให้มันเป็นของจริง น, นะเป็นของจริงไม่ใช่ของคิดไม่ใช่ไปรู้ว่าไม่ใช่ไปดูด้วยความคิดแต่รู้ด้วความรู้สึกนะ แม้แต่สิ่งที่ทำในปัจจุบันนะ่ะมันเป็นความรู้สึกย่ถึงเอาใจความรู้สึกอย่างเราแตกพื้นความรู้สึกนะ่ะมันมันของจริง น, นะของจริงนนะ่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าเรากําลังแตะพื้นมันสัมผัสกายสัมผัสใจรับรู้เนะ่ยของจริง น, นี่คือไม่ใช่ว่าฉันกําลังแตกพื้นฉันกำลังยกพลิกมือซ้าย ยกมือขึ้นวางลงนะไม่ต้องคิดต้องแยกได้ระหว่างการรู้สึกกับการคิด <c ười> ไม่ได้คิดเอานะแต่ให้รู้สึกรู้เฉยเฉยรู้ซื่ออเบื้อ à, งต้นก็รู้นะรู้การเคลื่อนไหวรู้กายที่ทำเกิดความคิดแทะประมาอะก็รูนะ้ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนเมื่อเรารู้สึกตัวก็สังเกต เมื่อสัมผัสเกิดความสุดตัวไอ้ตัวที่มันรู้นะจิตมันจะเฉยเฉยเฉยเฉก็คือปกติปกตินี่คือมันก็แค่รู้เฉยนะรู้มันก็จะเฉยไม่เฉยนะมันก็เรียกว่าไม่ไม่ทุกนคําว่าไม่ทุกคือเฉยเฉยแต่มันไม่ใช่ว่าจะให้เฉยตลอดนะมันทีใจเราไม่เฉย ไปสุกไปฟุกพอเรารู้ทันมันก็จะกลับม า, นะม า, าไม่ใช้ว่าต้องเฉยตลอดเวลานะแต่มันเหมือนเนการรู้ครั้งหนึ่งก็งงปกติแล้วก็วางรู้อีกก็ปกติใหม่แล้วก็วางรู้อีกก็ปกติใหม่แล้วก็วางการมีสติเป็นการเรียกว่ารู้ทีละครั้งนะทำอะไรก็แค่ ทำจีรยาให้จิตตั้งมั่นต่อสิ่งที่ทำพลิกมือก็พล่กแค่ทำเพื่อการพ <g ül> ลิกมือยกก็ทำเพื่อเพื่อตรงนี้วางมือก็ทำเพื่อตรงนี้ไม่ได้ทำเพื่ออยากได้มรรคผลวิพาเลยทำเพื่อเพื่อสิ่งที่ทำรู้ตัวในสิ่ง ท, ที่ทำมันจะเกิดความรู้สึกตัว นะ่ยทำแค่ตัวเนี้ยมาเสร็จจบทีลัขณะนะรู้สึกทีละขณะถ้าเกิดความทุกข์เเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวมันต้องมีทุกข์แล้วเนียทำแค่นะทำแค่นะทำแค่นะนะบ่อยๆนะแต่มันต้องดองทำนะคนที่เคยทำไปแล้วก็จะขอเข้าใจนะแต่คนที่ไม่เคยทำนะ แต่คิดเอาไม่เข้าใจนะมีหลายครั้งมีนักปฏิบัติทรามก็ต้องมาถามนั่งหนี้หลายอย่างแต่เราก็เห็นคำถามมันเป็นคำถามจากความคิดนะมันจะจริงเหรือแนะตอแนะ่ถ้ามันเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบไหนประมาณน่ะนะถ้ามันจิดมันง่งบ้านสมองครุควัวงชีวิตเราจะเป็นแบบนั้นเหรอนก็คือยังไม่ได้ทำเท่าไหร่แต่คิดก่อนแล้วมันถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะ มันคืออะไรมันถูกมันคิดอะไรแต่ไม่ได้ลองทำไม่ได้ลองทำว่ามันเป็นแบบไห น, นถ้าเราได้ลองทำได้สัมผัสเนะ่ะมันจะรู้เองว่ามันเป็นแบบไหนเหมือนเรากินเหมือนเรากินผลไม้สักอย่างเราจะสัมผัสรสชาติแล้วก็รู้ด้วยตัวเองมาจะเรียกว่าอะไรไม่สำคัญแต่ เ, เรารู้อ่ะ บ้านนี้กินมันลดอะไรหวานคนแต่ละคนก็นะหวานก็ไม่เหมือนกัน่เขาบอกไอน้นี้กินนะหวานดีนะแต่หวานมันต้องมีตัง้งว่าหลายแบบใช่ไหมแต่เรากินนะอือแบบนี้แหละไปกินอีกอย่างนึ่งมันก็หวานนะแต่มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนคิดแต่นะมันจะมีสัญญาต่อที่เราจะเกลียดเทีย บ, เ, ยบเรารู้ว่าแบบนี้ได้เพราหวานแลปกคนนี้บอกว่าหวาน ดูแล้วก็หวานแต่จริงมันไม่เหมือนกัน <c oughs> เพราะเราได้คิดเอานะอะคิดเอาว่ามันเป็นแบบนั้นแหละจากประสบการณ์ของเราแต่จริงเราไม่ได้สัมผัสลงไปจริงๆมันก็จะไม่เกิดความรู้เฉพาะตนจริงๆริงเนี้ยการปฏิบัติทำไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้นะเอาจริงๆนะไม่ต้องมีพื้นฐานเรียนพุทธศตสนาก็ได้น มีหลายคนนะอย่างจะ ม, มาก็เนี่ยเพิ่งเสร็จคอร์สคนจีนนะคนจีนหลายคนเนี่ยไม่มีพื้นฐานพุทธศาสนาเลยนะเพราะว่าประเทศเขาปิดนะเป็นคอมมิวนิสต์มาหลายปีบางคนก็อาจจะมีพื้นฐานบางแต่หลายคนก็ไม่มีพื้นฐานแต่ เ, เรียน ร, รู้จากการรู้จักตนเองนั่แหละรู้จักตนเองผ่านการสร้างสติสนไงไงี่แหะมีหลายคนที่เปลี่ยนแปลงแบบ ชัดๆนะชัดๆจากแบบปฏิบัติทำแบบมาแลรกๆงงๆนะไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เข้าใจทั้งหมดนะแต่พอกระเดือนทำไปเรื่อยๆมันเขาเขาบอกว่าแบบมันรู้ได้รู้วตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยคือเรียกว่ารู้สึกตัวมันรู้ได้ตัวเองว่ากีตมันเปลี่ยนแล้วพอคนภายนอกมองเห็นเขาก็จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนจริงๆแต่ก่อนเดินขึ้นอสาราน คือเขาก็อาจจะเดินเป็นชินนะแบบลงน้ำหนักแรงแรงจะนั่งจะอะไรก็แบบตามธรรมชาติของเขาหน้าที่เคยทามาแต่พอตอนหลังพอฝึกสมาธะก็ดูไม่ไม่ใช่ว่าเขาแบบตั้งใจจะย่อมตั้งใจอยจะอะไระแต่มันก็มันก็แบบพอดีพอดีไม่ว่าตั้งใจจะย่อมแต่มันต้องไม่แรงเหมือนเดิมดูลักษณะการพูดดูน้ำหนัต่างๆก็ คือเราเห็นว่าเนี่ยเขามีสติมากๆากนะมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคือมันเขาก็รู้ตัวเองม่าก็เป็นแบบนั้นคนข้างนอกเขารู้ว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะก็มีหลายคนที่ที่ทำแบบเนี้ยเริ่มจับฟังไม่รู้อะไรแต่ก่อนจต่คนนี้ยเขาคิดว่าชีวิตเขาไม่มีความทุกข์อะไรก็ดีหมดอ่ะนะ ครอบครัวก็ดีการงานก็ดีสุขภาพก็ดีเรามาพูดแต่เรื่องทุกข์เนี่ยเขาไม่เห็นมันทุกข์เลยพอรู้สึกชีวิตเขาก็ก็ดีอ่ะก็ดีแต่ตอนหลังก็เริ่มยอมรับแล้วว่าอืมมันเป็นทุกข์แบบไหนมันดงแบบไหนนะอืม แ, แรกๆอธิบายก็ไม่เรกรงกลับเพราะว่ามันพยายามจะคิดให้เข้าใจนะแต่พอปฏิบัติแล้วมันเริ่มเปลนเอง เห็นเองเข้าใจเองได้คาตอบด้วยตัวเองอันนี้แหละคือภาคของการปฏิบนะัตินะนักปฏิบัติเก่าก็ขอให้มีความตั้งใจนะตั้งใจสร้างสตินะเท่าที่ทำได้อย่าไปเครียดเกินไปว่าต้องเอาให้ได้นะต้องรู้ทุกครั้งต้องไม่หลม อย่าไปเครียดสนานนั้นอย่าไปจริงยางงานนั้นทำเล่งเ่แต่รู้จริงจริงทำเหมือนทำเ่นเร่รู้เร่นเร่รู้แบบยิ้มยิ้มหลงก็ยิ้มให้กับคอหลงที่จริงนะมันจะมันก็ยิ้มหลงใล้แล้วเนาะตลกตลกนะเหมือนก็นดูมาสักหน่อยมันเห็นเด็กมันโซน่ะ เราจะไปเที่ยวกาดจะไปแบบฟังคัดมันต้องเรียบร้อยมันต้องดีมันต้องอะไรก็ตลกตลกไปกับมันบ้างก็ได้ชีวิตนะเห็นจิตนะเดี๋ยวก็ไม่พอใจแต่จิตก็คิดอยากแต่จิตมันก็ไปเที่ยวแต่จิตมันแต่เราแบบเล่นๆ น, นะทำเล่นๆ น, นะมันรู้จริงๆทำแบบจริงจังนะมันรู้ไม่จริง มันเหมือนบางทีมันตั้งใจไปรู้มากเกินไปการเป็นการกำหนดมากเกินไปนักคล้ายๆมันจับให้มันแน่นหรือในการวิจ้องนะหรือบางทีมันก็ติดข่มนะทาเล่นๆมันจะรู้จริงๆนะแต่ถ้าเล่นเกินไปฟุ้งซ่านก็ดิสติการทงานตัอหน่อยนะตั้งดับใหม่หรือรู้สึกใหม่ น, นี้เป็นนะักปฏิบัติทำเก่าเนาะ ทำเล่นๆทำเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่รู้ไปทุกๆอยา่างเท่าที่มันรู้ได้แต่เก็บให้มันในอวบทั้งรูปแบบนอกรูปแบบให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ลงไปแล้วก็ชั่งมันลงไปแล้วกรู้ใหม่ <c oughs> ไม่มีอะไรเสียเพราะว่าอาจารไม่ไปฏิบัติธรมันก็ลงไปและ ปฏิบัติท่านก็ได้รู้กลับมาอีกหลายเจตนาก็จะเอาอะไรมากตัวนี้นะชีวิตนะก็ตัง้งแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทำเนื่องๆนะมันจะสัมัสได้กับอืมจิตแบบไหนนะวางจิตแบบไหนก็ดีรู้แบบไหนก็ดีอืมสบายแบบไหนเนาะแต่ก็รู้แบบนี้ไปส่วนคนที่ยังไม่ปฏิบัติก็ไม่ต้ององงให้ทําก่อนฮต้องเปลี่ยน อย่าเติดคิดเข้าใจทำก่อนนะลองกินดูก่อนเป็นแบบไหนลองไปก่อนเป็นแบบไหนเร า, าไม่เคยไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเพื่ออ่านหสือดูเฮอร์ด์มันก็เป็นแบบไปแล้วมันรู้เองไม่เคยออกเดินทางขึ้นเขาไม่รู้ต่อว่าความเหนือยเป็นแบบไหนต้องเดินไปก่อนเพื่อไูว่าเหอยเป็นแบบไหนแน่ทีทำ แล้มันจะรู้เองนะควาิดก็จิตผิดก็เป็นประสบการณ์หลงก็เป็นประสบการณ์ไม่มีอะไรเสียหายแน่เลยถ้าเราเอามาเป็นประสบการณ์นะมันจะเป็นปัญญาความผิดพลาดอะไรต่างๆในอดีตเอาเป็นประสบการณ์มันจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเราเอาประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดที่เคยหุ่นวายที่เคยเป็นทุกข์นะ แล้วก็คิดอีกแล้วมันจะเป็นปัญหาทุเรื่องเลยนะเ <c oughs> มื่อตอนนั่งรถ ม, มาดนตรีกับแม่ทีดนตรีเนี่ยหลายคนพอแบบพอจะไปคิดว่าเราไปเจอเรื่องราวคล้ายๆที่เราเคมีปัญหาทุกข์ละ <c oughs> เป็นปัญหาแล้ะมองคนนี้อ่ะไม่ชอบจะต้องไปเจอเนี่ยเป็นปัญหาและเ <c oughs> พราะอะไรเราได้เอาความผิดพลาด มาเป็นที่ตรงนี้ยังไม่ได้เจอเลยทุกแล้วยังไม่ทด้ทเลยทุกแล้วเพราะเอาปัญหาอดีตมาเป็นทุกข์ที่ปัจจุบันแต่ถ้าคนที่มีปัญญานะจะเห็นว่าใจเราตรงไปคิดเ ป, เ, เป็นทุกข์เพอาะเหรอเงี่ยเป็นทุกข์ของเิงที่หลงไปคิดยังไม่เจอเลยนะไปทุกข์แล้วไม่ดูโง่เลยใช่หรือไม่ อ่าเนี้ยคือมันจะเห็นอืมแต่ละวส่วนที่มีสติเนี่ยจะเกิดปัญญาขึ้นนี่แหละเราลงไปคิดก็เลยเป็นทุกข์เราลงไปเก็บเอาอดีตมาปุนแต่งที่ปัจจุบันเป็นทุกข์เราไปกังวลเรื่องราณะพุทธเป็นทุกข์จะเกิดปัญญาที่ตรงนี้แหละอ่ปัญญาที่เห็นว่าไม่มีใครทาให้เราทุกข์ทุกข์ใจนะนอกจากใจที่วางไม่คิด นอกจากควา ม, มรู้สึกตัวนะี่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจแต่ถ้าเกิดเรารู้ถูกนะามใจถูกมันก็เปลี่ยนเป็นความไม่ทุกใจได้นี่คือเกิดปัญญาอสูตรงนี้นะปัญญาไม่ใช่ไปรู้ว่าลิพานเป็นสถานที่แบบไหนพระพุทธเจ้าหน้าตาอย่างไรธรรมะต้องพูดได้เก่งขนาดไหนที่จริงแค่รู้ตัวเอง แล้วก็สงบได้เข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของรูปเรื่องของนามไม่ใช่เรื่องของเรานะมันเป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามไม่ใช่เราแค่แนีน้นะใจก็ไม่รุกรานแล้วนะในติดก็ปากเลยเ น, ห น, ะนาะ